กลับข้ามนี่ตาครับความาวามเช่อนะครับก็เข้าสู่วิธีการที่จะุขเกียวับบเข้าสู่วิธีการปิดนะครับกล่าวโอกานักจารย์แล้วก็ทุจริูกนรขอให้ขอนำผู้ปฏิบัติเข้าสู่วิธิปิดเรียเชิญครับชายอย่างนี้ด้านหน้าครับเป็นตัวแทนนะครับชาย้านขวาและด้านซ้าย กราบเรียนเกื่ทุกท่านผู้ามครับตั้งใจบูชาพระพุทธไตรอครับพนมมมอบูชาพระนุทธไตรมคลครับอาราัิสสะมา ขอความรู้สึก <laughs> ท่านจำไม่ได้ก็ดีท่ า, า, าที่มีเจตนาและหาเจตนาไม่ได้ก็ดีท่าที่มีเจตนาและหาเจตนาไม่ได้ก็ดีขอท่านจงโปรดเมตตาขอท่านทรงโปรดเมตตาและอโหสิกาศศรแก่ข่าพ <c oughs> เจ้าอโหสิการแก่ขาารร้ขาพเจ้าเพื่อไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมต่อกันเพื่อไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมต่อการโอเครียนประเทะี่จัดุประเสร็จแล้วอบคนะครับ กรรชั่วเป็นไปด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจหากมีเราหากเรามีความประมาทพลาดคลาง ด, ด้วยเหตุที่จิตของเรายัางไม่รอดพอบเป็นจิตของปุถุชนคนเขา คนหนาคนปากให้เราทาความรอบรู้พิจารณาให้เข็ดหลาและจะได้สํารวมระหว่างต่อไปตั้งอกตั้งใจถือตามประพฤตตามปฏิบัติตามอัดธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตามหลักของศีลของสมาธิของปัญญาหวังเป็นที่พึ่งหวังเป็นที่ระลึกตั้งแต่บัดนี้ไปจนตายเราจะพ้นทุกข์พ้นโทษพ้นเวท พ, พ้นภัยในวัฏสงสาร อนุทนาอนโมยพรกับท่านทั้งหลายที่ตั้ง อ, อกตั้งใจเสียสละเสียเวลาเสียสละเวล า, เ ส, สล เ, วลาเสียสละงาการเสียสละความสุขสบายส่วนตัวมาตั้ง อ, อกตั้งใจมัดตัวให้เข้าสู่คุณงามความดีตามหลักของศสียของธรรมถือว่าเป็นเยี่ยงอย่างของประหลาดของบัณฑิตที่นี่วัชนะธรรมมาสถาน ค, คุณหมอท่านกับปาเราให้ฟังว่าเรามีการประชาสัมพันธ์กันเนาะให้พวกเราจริงไม่ค่อยรู้จักกันบางเดือนไม่มีคนมาสมัติมาฝึกฝนอบรมทั้งๆที่โอกาสดีมีอยู่ตรงนี้แต่บางคนไม่รู้จักพวกเราไปช่วยกระจายกระจายบอกกันต่อๆกันไปเพราะตรงนี้มีประจำทุกเดือนแต่จะมีอยู่ในตารางตรงไหนอะไรงไงก็ไปเปิดดูเอาเอง ครั้งละประมาณเท่านี้ไม่มากไม่น้อยทั้งเราได้ปฏิบัติสดวกสบายไม่ชุ่นยานไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องไม่มนหมองไม่ได้หอบิ้วความไม่พอใจกลับไปบ้านไปช่องหอบผิวแต่กุลสมบัติภายในใจสติธรรมสัมปชัญญะธรรมความรู้ความเข้าใจที่ได้ยินได้ฟังจากครูบาจาท่านบอกท่านสอนจึงขออนุโมทนากับทุกท่านขอให้ตั้งตั้งใจให้ได้ทำได้ถึงธรรม โดยทุนอาการอธิบายความแตกต่ารอนรับราระระนั่นเองบุ่งอหเพื่อเห็นอ่ะเปียนใจก่อนแต่ผให้เขาับ โมทัสสะภควะโตอะระโสัมมาสัมพุทธัสสะนาโทัสสะภควโตอระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโทัสสะภควโตอระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่ครับอิมาณิอัตตาสิขาปานิปิมาณิอัตาสิขาปานินิปานิข้าพเจ้าขอลาสิขาบทแปไว้วยตัวเงเท่านี้า มาิอัตสิขาปะทานินิทิปานิข้าพเจ้าขอลาสิขาบทแปด้จตเพเท่านี้ข้าพเจ้าขอลาสิขาบทแปดยตเนี้ปมาิัสิาปานินิทิปาข้าพเจ้าขอลาสิขาบทแปด้วเตเมเท่านี้ มาันเตติสะเะมศานะมาเติสปัญจสีลานิยาจาระภูิยาปิมัยจาคันเตติสระเปัญจศีลานิยาจา สิน 8, แปดเราก็ต้องมารักษาศินห้าสินห้านี่เป็นนิติสินนะรักษาไว้เถอะอย่าให้ทุกคนตั้งใจรักษาไปจนตายศินห้านี่คุ้มค่าที่สุดชีวิตของเราสนห้าสมาทานไปแล้วรู้จักองค์ประกอบเราก็ตั้งใจไวรัตั้งใจงดตั้งใจเวน้นเอาให้ได้เอาให้อยู่ต้องเด็ดขาดตัวที่เด็ดขาดตัวนี้จะรักษาได้ถ้าไม่เด็ดขาดรักษาไม่ได้ดอกมันเอาไปกินหมด กำลังสู้ม er mm ันไม่ได้มันยื้อแยงไปกินหมดนโมตัสสะภะคะวะโต arahato s a ม m a sambuddhasa นโมตัสสะภะคะวะโต arahato s a นโมตัสสะภะคะวะโตส r a h ขังสรังสระนงกัดชามิขังมังสระนงกัดชามิลัมปังสรงกัามิุติยัมปิุธสรงกัามิุติยัมปิธมสรงกัามิ ดุจยามปิสังขังสระนงกัจฉามิตากิยามปิบุทถังสระนงกัจฉามิ ตัดยัมปิธรรมังส renong a ัจฉามิตัดยัมปิธรรมังส renong ตัยัมปิสังขังส renong กัจฉามิส renong มังนิทวิตังปานติปตาเวรมนีสิก้าปะดังสัมมาดีม ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปังสมาดยามิดินาานาเวรมีสิกขาปังสมาดยามิกามสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปังสมาดยามิกามสุมิาจาราเวรมีสิกขาปังสมายามิาวาดา เวรมณีสิกขาปังสมมาดิยามิสุราเมรยะมัจยะปมาดทานาเวรมณีสิกขาปังสั ม, มาดิยามิ ปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะภกะสัมปดาสีเลนะนิพุติงยันตีตัตมาสีลังวิโสทะเย สชัว่วโมงดินะนะต่อต่อต่ อ, ตอมาเบิกย้อนหลังจนคุ้มเลยเหรอะผไม่ตาเรียกเอาจนคุ้มตัวนี้ฮนะทอ่ทอท่อท่อปู่มาตั้งแต่มืด้ะน่ก็จะมาถึงนี่นี่ดูสิมาพลอว์นี้ตอนบ่าย นโมตัสสะภะวะโตทระหโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะวะโตทาระหโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะวะโตระหโตสัมมาสัมพุทธะอิทังทานานอิทังทานานสีลวันตานัสีระวันตานั กระทำสมศักดสิทด้วยผลแห่งการถวชฐานนี้ด้วยผลแห่งการถวชฐานนี้นนนขอให้ข้าพเจ้า ตั้งใจกล่าท่นตเล่นนครับพร้อมแล้วกระบกรรให้พรนะรับพรตั้งใจรับพร พรรมทุกระยะ <c oughs> พรก็คือสิ่งช่วยประเทืองสติปัญญาของเรานั้นพรชั้นเลิดประทับอยู่ที่หัวใจของเราพอรอันนี้เป็นพรที่ผู้รักพลอยปลื้มปีติอนุโมทนาด้วยกับผู้ถวายที่จะเรียกว่าให้พรให้พอรอนุโมทนาอนุโมทนาแล้วว่าพลอยอดีอนุโมทนาสาทุ ก, การด้วย ให้เข้าใจด้วยไม่ใเช่เราให้ไปแล้วโอ้ยไหลเงินนองเงินไหลนองทองไหลมาเป็นถุงเป็นถังไปคิดแบบนั้นสิ่งวันนี้นเป็นเป้ปาทำให้เราเข้าใจว่าเป็นเป็นผลที่เราขวางได้แต่เเราก็าพยายามตะเกียตะกายเดินไปให้ถึงวิธีใดที่จะเดินถึงก็หาวิธีนั้นเดินด้วยวิธีนั้นเพราะทุกคนขวังความสุกความเจริญ ความสุขความเจริญอยู่เฉยเกิดไม่ได้ต้องทําเอาวิถีได้ไดบ้างที่จะเจริดที่จะเกิดสอบสอบหาวิธีการนั้นแต่ถ้าเป็นวิธีทำไม่ผิดพุทธเจา้าท่านประกันไว้เลยแค่ศีลนั่นนู้นซีเลนะสุขติงยันติไปสู่สุคติได้เพราะศีลนปนัจจุบันเราก็ไม่ก็จะเอาศีเลนะโภคะสัมปทามีโภคะได้ก็เพราะศีลศีเลนะนิปติงยันติ เป็นสะพานเชื่อมได้มากได้ผลได้ดีผ่านนี่พุทธิยถาทรงประกันรับประกันแค่เรื่องศีล น, นั่นเองนี่ถ้าเป็นเรื่องของศีลทุกธรรมแล้วเป็นเรื่องที่ตรงแนวไปสู่เป้าประสงค์ที่เราพึงหวังไม่คลาดเคลื่อนไปไปอื่น <c oughs> คอยต้งอกตั้งใจทํามเอายะถาวาริวาหาปูราปริปุเรนติสักการะเอวเมวยโตทินนาง เปตานังปรกาติอ so ิจิต so ังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิชชตุกสเพปูเรนตุกสังกปาจันโทปนารโสยทามนิโชติรโสยธาน ตันตรายโยสเถรธิาคาโกอนภาวะปิวางสาเนจังวัานปิจั ตนณฑทานุภาเวนะระดานาเดยเทียสหาโลภาวยาเวนะสุขะสัตตุจุปะฏวาอาเนกาอันตรายาปีเวณสันตุอาสะตุยาเยีธนังลาภังสอิภากยังสุขังบลัง เเรียโยเจวันโอจาภกังวัติจยาสวาชาตาวาชาญาโจชาชีวสิทธิพวันทุเตพาวาทุสาพะมังกาลังราคันโุสัพปะเดวตาสามบาบุททานุภาเวนาสดาสดทิพวันทุเต ภาวัตุสาบมังกาลังรัาคันตุสัพปเดวตาสับบาสังคาโนภาเวนะสดาสส <c oughs> ทีอาวันโตเตมเรียนเชต่ทุกท่านกราบรับพรนะครับพร้อมแล้วกราบ ครัแบคบรัแบเบอ้ยวันนี้เรากลับสวนใช่ไหมครับแล้วพรุ่งนี้เรากลับมา น, นี่อีกแล้วกลับมานี่ใช่ไหมครับอ๋ อ, อ, อ, อไปศิลปรกรด้วยแบบอ่าพรุ่งนี้เราไปศิลปรกรตอนบ่ายใครอยู่แถวๆนั้นก็ไปร่วมได้ศิลปรกรนค ร, รปฐมฮะ วันดีวันดีอาจารย์วันดีเพิอืมหมูก็มาคอยตั้งแต่เช้าวืดนย่นี้ <c oughs> จนเดี๋ยวนี้หมูโชเฟอร์สารถีคือที่นุ่นใกล้จะไปที่บ้านไหนแชมตรงไหนไม่รู้มีอาจารย์อินด้วยอะไรด้วยอาจารย์สุธรรมปรุงนี้นะ เสร็จแล้วก็พรุ่งนี้เช้าที่นู่นเที่ยงที่นี่เสร็จแล้วเรามาพักนี้แล้วก็ <c oughs> แล้วเราออกเดินทางคืนคืนยี่สิใช่ไหมครับ <c oughs> คืนย <c oughs> ี่สกคืนี่เนี่ยเมื่อก่อนไม่มีอะไรนะบรรยากาศตรงนี้ดีมาก แต่บ้านเมืองก็เปลี่ยนแปลงไปเราเห็นไหมเดี๋ยวนี้ก็มีเราจะได้ร่มเงาังนั้นบางถ้ามีลมมีพายุมีอะไรมาก็จะบังมันไม่ใช่เรื่องแปลกว่าใจของใครของเรามไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอยู่เท่าเดิมบ้างเราพยายามพูดให้คิดบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมดูแเ น, นื้อหนงของเราเถอะเคย พองเคยพีนี่แฟบปีมอุทุกละเกินทุกละเกินแน่ชอบฝืนคำของพระพุทธเจ้าวยู่รำไปศึกษาศึกษาเถอดธรรมะมันอร่อยอริดอร่อยอยู่ในนั้นน่ะนั่งนวนอยู่คนเดียวธรรมะศึกษาเข้าไปเถอะ วันนี้ลาท่านทั้งหลายเพียงเท่านี้เนาะครับเออไปให้โชคดีมีชัยอปรารถนาสิ่งใดที่อยู่ในกรอบของธรรมความรู้สิ่ธรรมที่ได้ยินได้ฟังก็ไปถือตามไปพฤติตามไปปฏิบัติธรรมอย่าทิ้งไว้ตรงนี้เรามารมแล้วเราต้องห่อพิ้งเขไปสิ่งที่ดีที่งามเป็นเป็นธรรมสิ่งไม่ดีไม่งามแปลงให้เป็นสิ่งที่ดีงามห่อพิ่งเข้าไปฉลาด เรามาเพืเ่ <c oughs> อชะามอาณโมศนากับทุกท่านทุกคน<า>ทุกออโอ้โหสามความอสองขืนไม่ใช่ธรรมดานะ <c oughs> มันยิ่งกว่าสามปีละมั้งนี่ฮะฮะ<า> พวเราทํากันแค่นี้แหละไม่มากไม่วุ่นวายอะไรหรอกรับไม่อั้นมันไม่ไหวอะดูแลไม่ไหวดอกพวกเราก็ไม่ฟ้าสุข <c oughs> แต่พวกเราไม่ค่ยได้ไประชาสัมพันธ์พวกเราไปบอกบอกบอกันตอๆไปด้วยมีทุกเดือนอยู่ตรงนี้มีทุกเดือนเดือนไหนเดือนไหนเวลาเท่าไหร่ก็ไปดูเอาเอง